ใหความดีงามในจิตใจบุคคลออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคมเรื่องของความสุขของสังคมยังไม่จบเมื่อกี้ได้หันไปพูดถึงหลักธรรมที่เป็นสาระของการจัดระบบสังฆะแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของข้ารือหัดอีกที่จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังฆะของพระหรือสังคมของชาวบ้านในขั้นพื้นฐานแท้ คือลึกลงไปในจิตใจก็ใช้ฐานทางคุณธรรมชุดเดียวกันคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารสีนั่นเองแต่บนฐานของทางนามธรรมในระดับจิตตปัญญานั้นเวลาจัดออกมาเป็นระบบปฏิบัติการทางสังคะและในสังคมก็ต้องเป็นหลักธรรมอีกระดับหนึ่งซึ่งนำไปใช้กับเรื่องสมมติได้ นี่ก็หมายความว่าสารณียธรรมหกของพระที่ว่าไปแล้วก็ตั้งอยู่บรทานทางจิตตปัญญาของหลักพระมิหารสี่แต่ทีนี้สําหรับสังคมของโยมจะจัดตามหลักสารณียธรรมของพระก็ยากจะไปได้ไหวอย่างข้อที่สี่ที่ว่าไปแล้วคือสาธารณโพคมีของกินของใช้เป็นของกลางบริโภคโดยทั่วกันอย่างนี้ในสังฆะทาได แต่สังคมของโยมยังคงไปไม่ไหวจะทำได้อย่างดีก็แค่ตีความแบบอนุโลมหรือเลี่ยงๆไปเพราะฉะนั้นหลักธรรมขั้นปฏิบัติการในสังคมของโยมจึงจัดออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งที่ต่างออกไปถ้าถามว่าหลักนั้นคือหลักอะไรใครบ้างจะตอบได้ไหมตรงนี้ขอแทรกหน่อยคือญาติโยมชาวพุทธนี่เอง ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจยังแยกไม่ออกยังเอามาประสานกาันไม่ได้ระหว่างหลักธรรมระดับนามธรรมทางจิตปัญญากับหลักธรรมระดับปฏิบัติการในสังคมมนุษย์อย่างที่พบกันอยู่ทั่วไปคนจำนวนมากยกเรื่องเมตตากรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นคุณธรรมในใจแต่เอามาพูดมันอย่างเป็นหลักขั้นปฏิบัติการในสังคมแล้วตัวเองก็สับสนและพาคนอื่นให้งงและควยเควไปด้วย ดังในกรณีของด็อกเตอร์โจเซฟเอลัตตันจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาที่มาทำงานในเมืองไทยเมื่อ38ปีมาแล้วเมื่อปีคริสตศักราชหนึ่ตอนตั้งคณะรัฐประสาศาสนศาสตร์ที่มาเป็นนิดาท่านผู้นี้ได้เขียนวิเคราะห์สังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาไว้ในหนังสือตอนหนึ่งว่าในสังคมชาวพุทธนี้ ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าทำความดีก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะมีความหมายแค่ว่าเป็นนอนแผ่เมตตาอยู่ในมุง้งในส่วนนี้แปลจับความให้เข้าใจง่ายๆไม่ใช่แปลคำต่อคำในกรณีนี้ก็น่าจะมองว่าคนไทยเองคงประพฤติไม่ถูกธรรมทำให้เขาเห็นละพลอยเข้าใจผิดเลยเถิดไปคนไทยจึงควรเข้าใจธรรมะให้ถูกต้อง และแก้ไขตัวเองตอนนี้จึงขอทำความเข้าใจเมื่อกี้บอกว่าบนฐานของจิตปัญญาของหลักพรหมวิหารก็ออกมาเป็นหลักปฏิบัติการในสังฆาได้แก่หลักสารณียธรรมหกในสารณียธรรมนี้จะเห็นชัดว่าเมตตาไม่ใช่แค่แช่อิ่มอยู่ในใจแต่ออกมาสู่การปฏิบัติการ เป็นเมตตากายกรรมการกระทําทางกายที่มีเมตตาหรือคุลีกุจอช่วยเหลือร่วมมือด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมการกระทําทางวาจาที่มีเมตตาหรือพูดด้วยเมตตาเมตตามนโนกรรมการกระทําทางใจที่มีเมตตาหรือคิดการต่างๆด้วยเมตตาทีนี้ในสังคมของโยมบ้าง เมตตาเป็นต้นในหลักโภมิหารนั้นจะออกมาเป็นหลักขั้นปฏิบัติการเรียกว่าอะไรก็ตอบไปเสียเลยว่าคือหลักสังขะวัตุสี่ขอทวนความหลังนิดหนึ่งว่าตอนแรกเราพูดถึงทานในชุดพัฒนาตัวเองคือบุญกิริยาวัตถุสามเป็นทานศีลภาวนา ทีนี้มาเป็นชุดปฏิบัติการในสังคมของส า, ารลชนคือชาวบ้านทั้งหลายก็ได้แก่สังหะวัตถุสี่สังหะวัตถุสี่หลักการสงเคราะห์หรือหลักยึดกลุ่มสังคมคือทานปิยาวาจาอัตเจริยาสมานตตาตาเนี่ยหลักเป็นชุดออกสังคม ที่คู่กับชุดในใจคือพรมวิหารสี่ธรรมะประจำใจของพรมหรือธรรมะประจำใจอย่างประเสริฐได้แก่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาลองจับคู่สิเป็นชุดมีสี่เท่ากันแต่ไม่ใช่แค่นั้นก็เอาฝ่ายปฏิบัติการตั้งหนึ่งทาน ประการที่หนึ่งเขาไม่เดือดร้อนอะไรก็เผื่อแผ่ให้ไปให้เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีนี่คือทานด้วยเมตตาระการที่สองเขามีความทุกข์เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้เพื่อช่วยเหลือนี่คือทานด้วยกรุณา ประการที่สามเขาทำความดีสร้างสารรค์ความเจริญงอกงามของสังคมเช่นเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีก็ไปให้เพื่อให้กำลังส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตา 2. ปิยวาจาประการที่หนึ่ง อยู่กันตามปกติก็พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีพูดจาสุภาพอ่อนโยนนี่คือปียาวาจาด้วยเมตตาประการที่สองเขามีทุกมีปัญหาชีวิตก็ไปพูดปลอบโยนแนะนําบอกวิธีแก้ไขปัญหาให้กําลังใจนี่คือปียาวาจาด้วยกาุณา ประการที่สเขาทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ไปทาบุญทากุศลก็พูดอนุโมทนาช่วยกันส่งเสริมนี่คือปิยาวาจาด้วยมุทิตา 3. อัฏฐาจริยาประการที่1อยู่กันตามปกติก็ทำประโยชน์แก่เขา ช่วยออกแรงทํานั่นทํานี่ให้ด้วยความรักความปรารถนาดีนี่คืออัตตาจริยาด้วยเมตตาประการที่สองเขามีความทุกข์เดือดร้อนตกน้าไฟไหมมีงานใหญ่หรือกำลังต้องการเรียวแรงกำลังช่วยเหลือก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหาด้วยเรียวแรงกำลังกายหรือกำลังปัญญาความสามารถ นี่คืออัตถจริยาด้วยการุณาประการที่สเขาทำความดีหรือบำเพ็ญประโยชน์กันเช่นมีงานวัดก็มาช่วยจัดเตรียมการต่างๆส่งเสริมการทำความดีนี่คืออัตถจริยาด้วยมุทิตาภาคแสดงออกหรือปฏิบัติการ จะต้องขึ้นมาที่สังหวะวัตถุอย่างนี้จะมัวไปพูดอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้เพราะเราเองคลุมเครือนี่หละฝรั่งจึงว่าเอาได้ก็สมที่เขาว่าไม่ต้องไปด่าเขาแต่ควรชี้แจงให้เข้าใจต่อไปข้อสุดท้ายสมานตตตาความมีตนเสมอ หมายความว่าเสมอภาคกันมีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมจึงเข้ากับข้ออุเบขาอุเบขาก็ออกมาที่สมานัตตาซึ่งแสดงออกในแง่ต่างๆมีตนเสมอกันไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีความเป็นธรรมแล้วก็ทำตนให้เสมอสมานเข้ากันได้ จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้ในสังคมพร้อมทั้งทาสังคมให้สามคัคคีซึ่งเป็นความสุขของสังคมเป็นบรรยากาศที่เอื้อให้แต่ละบุคคลอยู่เป็นสุขและก้าวไปด้วยดีในกิจหน้าที่และการพัฒนาชีวิตของตนอีกทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าการทำเพื่อผู้อื่นก็คือการปฏิบัติธรรมของตนเองเราทำให้แก่เขาก็คือเราพัฒนาชีวิตของตนเองไปด้วยพร้อมกันขอให้ดูพระโพธิสัตว์ท่านปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีด้วยการช่วยผู้อื่นและการช่วยผู้อื่นนั้นก็คือการที่ตัวท่านเองปฏิบัติธรรมอย่างดีทีเดียว เพราการที่จะช่วยคนอื่นให้สำเร็จได้จะต้องใช้ปัญญาความสามารถมีการฝึกตอนอย่างสูงจะเห็นว่ากว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้สำเร็จทีหนึ่งตัวเรานี้พัฒนาไปมากมายไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความสามารถอะไรทั้งหลายได้พัฒนาทั่วหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจึงเป็นไปในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมไว้เป็นคู่กันคู่ที่หนึ่งคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อมาคู่ที่สองว่าทำประโยชน์ตนคืออัตถะทำประโยชน์ผู้อื่นคือปรัตถะหรือขยายออกไปเป็นสามก็ได้คือประโยชน์ตนอัตถะประโยชน์ผู้อื่นประัตระถะ และประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายคืออุปยัตธแต่โดยมากท่านแบ่งแค่สองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสองอย่างนี้จะมาคู่กันเสมอขอให้สังเกตไว้ก็ยกเอามาเน้นให้ตรหนัก